คติยกัญญาวรคหมวดว่าด้วยพระเทรีผู้เคยเป็นคติยะกัญญาเป็นต้นหนึ่งอัฐาระ ส, สะสหะชะคติยกัญญาเทรีนมัติทานประวัติเนติชาของพระเทรีผู้เคยเป็นพระคติยกัญญาหน0่งรูปพระเทรีผู้เคยเป็นคติยกัญญา 18,00 งรูป เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันทั้งหลายมีพบทั้งปวงสิ้นแล้วปรดเรื่องที่ต่อแห่งพบแล้วไม่มีอาสวะทั้งปวงเลยขอกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีบริกรรมที่เป็นกุศลความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนปรารถนาไวและวัตถุที่เป็นเครื่องบริโภคมอมฉันททั้งหลายถวายแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนีความดีที่ปรารถนาแล้วและ ว, วัตถุที่เป็นเครื่องบริโภคม่อมฉันทั้งหลายถวายแล้วแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีกรรมที่สูงและต่ำมอมฉันทั้งหลายก็กระทำแล้วความดีมอมฉันทั้งหลายก็ปรารถนาแล้ว การบริกรรมในตระกูลสูงหม่อมฉันทั้งหลายทําไว้แล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายหญิงเหล่านั้นถูกกุศลมูลนั้นนั่นแหละตักเตือนแล้วเป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยกุศลกรรมล่วงสมบัติของมนุษย์แล้วมาเกิดในตระกูลกษัตริย์เมื่อกรรมที่หม่อมฉันทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมสร้างไว้ในชาติเดียวกันในภพสุดท้ายหม่อมฉันทั้งหลายสมภพในตระกูลกษัตริย์เกิดร่วมกันข้าแต่พระมหาวีระ มอมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีรูปสมบัติมีพภคขสมบัติมีลาบสักระอันมหาชนในภายในบุรีบูชาแล้วเหมือนนันทนวันอุทยานแห่งหมเทพอันมหาชนบูชาแล้วมอมฉันทั้งหลายพากันเบื่อน่ายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสิ้นไปสองถึงสามวันก็บรรลุถึงความดับทุกข์ทั้งหมดด้วยกันคนเป็นอันมากนำจีวรเบนตบาตเสนาสนะ และคิฬานปัจจัยเพศบริขารมากมายมาจักระบูชาหม่อมฉันทั้งหลายตลอดเวลากิเลสทั้งหลายหม่อมฉันทั้งหลายก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันทั้งหลายก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันทั้งหลายตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด เป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามมอมฉันทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันทั้งหลายก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแปดและอภิน ญ, ญาหกมอมฉันทั้งหลายก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันทั้งหลายก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ภิกษุณีที่เคยเป็นคตยกร ญ, ญาหนึ่งหมพันมีพระยาสวดีเทรีเป็นประธานได้พาสิทขถาเหล่านี้เฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคด้วยประการศนี้อัทถาระสะสหาสะคตยกร ญ, ญาเทรียาประธานที่หนึ่งจบสองจตุราสีติสหาสะพรามณกัญญาเทรินมประทาน ประวัติในติชาติของพระเทรีพราหมณปัญญาแปดหมสพัน 80, 000, รูปพระเทรีพราหมณปัญญา8ปดหมสี่พัน 80, 000, รูปเมื่อจะประกาศประวัติในติชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหามุนีมอมชั้น8ปดหมนสี่พันนางเลี้ยงเกิดในตระกูลพราหมณ์มีมือและเท้าละเอียดอ่อนเกิดในนครศาสนาของพระองค์เกิดในตระกูลแพทย์และตระกูลสูตร ข้าแต่พระมหามุนีเราเทพนาคกินนอนและกัญญาจํานวนมากอยู่ในทวีปทั้งสี่เกิดในนครศาสนาของพระองค์ญิงบางพวกบวชแล้วได้เห็นธรรมทั้งปวงก็มีมากเหล่าเทพกินนอนนาค ก, ก็จักตรัสรู้ในอนาคตการชนทั้งหลายได้เจ ว, วิศเหติยศทั้งปวงได้สมบัติทั้งปวงด้วยความเลื่อมใสในพระองค์ก็จักตรัสรู้ในอนาคต ข้าแต่พระมาหาวีระผู้มีพระจักษุส่วนมอมฉันทั้งหลายเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นที่ดาของพราหมณ์เป็นผู้มีลักษณะดีขอกราพระยุคคลบาทพบทั้งปวงมอมฉันทั้งหลายก็กระจัดได้แล้วปัญหาที่เป็นรากเหง้าแห่งอกุศลมอมฉันทั้งหลายก็ถอนได้แล้วอนุัยมอมฉันทั้งหลายก็ตัดได้แล้วปุญญาพิสังขารมอมฉันทั้งหลายก็ทำลายได้แล้ว ม่อมฉันทั้งปวงมีสมาธิเป็นอารมณ์ชำนานในสมาบัติเช่นกันจักอยู่ด้วยฌานและความยินดีในธรรมทุกเมื่อข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำหม่อมฉันทั้งหลายได้ทำตัญหาที่นำไปสู่พบอวิชชาและแม้สังขารให้สิ้นไปแล้วตามไปรู้แจ้งซึ่งบทที่รู้ได้แสนยากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งหลายมีอุปการะแก่เรา ผู้เดินทางไกลมาตลอดกาลนานจงตัดความสงสัยของบริษัทสแล้วทั้งหมดจงนิพพานเถิดพระเทรีเหล่านั้นกราพระยุคลบาทของพระมุนีแล้วแสดงฤทธิต์ต่างๆบางพวกแสดงแสงสว่างบางพวกแสดงความมืดบางพวกแสดงอย่างอื่นบางพวกแสดงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และทะเลพร้อมด้วยปลาบางพวกแสดงภูเขาสิเนรุ ภูเขาสัตตปริพันธ์และต้นปาริฉัตตกะบางพวกแสดงพบดาวเดึงยามาเทวโลกด้วยฤทธิ์บางพวกเนรมิตรตนเป็นเทวดาชั้นดุสิตเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีเป็นเทวดาชั้นปารณิ ม, มิตวัสวัตตีผู้เป็นใหญ่ยิ่งบางพวกแสดงตนเป็นพรหมบางพวกเนรมิตรที่จงกรมมีค่ามากและเพศพระพรหมแสดงสุญญาตาธรรมอยู่ พระเถรีทั้งปวงครั้นแสดงอิทธิฤทธิมีประการต่างๆแล้วข้อแสดงพลังถวายพระศ า, าสดาเรียกราบพระยุคลบาทของพระศาสดาพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีความชํานาญในฤทธิมีที่ประสตถาตัและมีความชํานาญในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยาจักษุม่อมฉันทั้งหลายก็ชําระให้หมดจดแล้ว อาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวีระอัฏฐปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิรุตติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณและปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์ความพร้อมเพรียงแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์ทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระมหามุนีอาทิการเป็นอันมากของหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นพระมุนีขอพระองค์ทรงหวนระลึกถึงภูสลกรรมเก่าของหม่อมฉันทั้งหลายเถิดหม่อมฉันทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปมีกรุงชื่อว่าหงสาวดีเป็นที่อยู่อาศัยแห่งตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระมีแม่น้ํำคงคาไหลผ่านที่หน้าประตูกรุงหงสาวดีอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนไปไม่ได้เพราะแม่น้ําน้ําเต็มตลิ่งอยู่หนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างหนึ่งสัปดาห์บ้างหนึ่งเดือนบ้างสี่เดือนบ้างภิกษุเหล่านั้นจึงไปไม่ได้ครั้งนั้นชาวแวดแคว้นผู้หนึ่งมีนามว่า ชาติยามีทรัพย์เป็นสาระเพื่อประโยชน์แก่ตนเห็นภิกษุทั้งหลายจึงได้สั่งให้นายช่างจัดสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขึ้นที่ฝั่งด้านหน้าเมืองครั้งนั้นเขาได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำคงคาด้วยทรัพย์หลายแสนและได้ให้สร้างวิหารถวายสงฆ์ที่ฝั่งด้านตรงกันข้ามทั้งสตรีบุรุษตระกูลสูงและตระกูลต่ำเหล่านั้นได้ร่วมกันสร้างสะพานและวิหารเท่าๆกัน กับนายชาติยะนั้นมอมฉันทั้งหลายและหมู่มนุษย์เหล่าอื่นในนครและในชนบทล้วนมีจิตเลื่อมใสเป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้งสตรีบุรุษเด็กชายและเด็กหญิงจำนวนมากเ้ื่อกันต่างก็ช่วยกันเกลี่ยทรายลงที่สะพานและที่วิหารกว่าถนนแล้วตั้งต้นกล้วยม่อน้ำ้ำซึ่งมีน้าเต็มปีมและปักธงขึ้นจัดทูบ จุนและดอกไม้สักะระพระศ า, าสดามอมฉันทั้งหลายครั้นสร้างสะพานและวิหารเสร็จแล้วได้ทูลนิมนต์พระผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษถวายมหาทานและปรารถนาสัมโพธิญาณข้าแต่พระมหามุนีพระมหาวีระพระนามว่าปทุมุตตะผู้ทรงเป็นที่เคารพของสัพพสัตรทรงทำอนุโมทนาแล้วตรัพยากรว่าเมื่อหนึ่งแสกลับล่วงไปแล้วจกมีพัทระกับ บุรุษนี้ได้ความสุขในภพน้อยภพใหญ่แล้วจากบรรลุพระโพธิญาณบุรุษและสตรีที่ช่วยกันทำหัตกรรมทั้งหมดจกมีพร้อมหน้ากันในอนาคตการด้วยวิปากแห่งกรรมนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นจนเหล่านั้นเกิดในเทวโลกแล้วจะเป็นคนรับใช้พระองค์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่สวยสุขเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์นับไม่ถ้วนตลอดกาลนาน เนก่อกับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปกรรมสมบัติหม่อมฉันทั้งหลายก็ทําไว้ดีแล้วในหมู่มนุษย์สุขุมารชาติและในเทวโลกที่ประเสริฐหม่อมฉันทั้งหลายย่อมได้รูปสมบัติโภคสมบัติยศและความสรนเสริญและความสุขอันเป็นที่รักทั้งหมดเป็นกรรมสมบัติที่หม่อมฉันทั้งหลายกระทําไว้ดีแล้วอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงภพสุดท้ายหม่อมฉันทั้งหลายเกิดในตระกูลพราหมณ์ ในนิเวศของเจ้าสักรยบุตรเป็นผู้มีมือและเท้าละเอียดอ่อนข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันทั้งหลายไม่เห็นแผ่นดินที่เขายังไม่ตกแต่งและไม่เห็นภาคพื้นที่เป็นทางเดินลื่นๆแม้ตลอดการทั้งปวงเมื่อหม่อมฉันยังครองเรือนอยู่ชวนทั้งหลายก็นำสักระทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกฤดูการมาให้ทุกเมื่อเพราะผลแห่งบุปกรรมของหม่อมฉันทั้งหลาย ม่อมฉันทั้งหลายละกลางครองเรือนแล้วบวชเป็นบนรรพชิตข้ามทางสังสารวัตรได้แล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกถ้ายยกทายิกาหลายพันจากที่นั้นๆน น, นำจีวรบินบาตเสนาชนะและคีฬานปัจจัยเพศปรุรขานมาถวายหม่อมฉันทั้งหลายตลอดเวลากิเลสทั้งหลายหม่อมฉันทั้งหลายก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันทั้งหลายก็ถอนได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพิสุณีบุตรีพราหม์แปดหมื่นสี่พันรูปได้พาศึกษาเหล่านี้เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉนี้ ชาตุราศีติสหัสสพราณะปัญญาเทรีนมาประทานที่สองจบ 3. อุปละทายิกาเทรียาประทานประวัติในติชิของพระอุปละทายิกาเทรี อุปลทายุกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าในกรุงอรุณวดีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าอารุณหมอมชันเป็นพระมเหสีของเท้าเธอย่อมสนทนากันเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นครั้งนั้นหมอมชันนั่งอยู่ในที่สงัดคิดอย่างนี้ว่ากุศลที่จะนําติดตัวไปซึ่งเราทําไว้ไม่มีเลยเราต้องตกนรกที่มีความเร่าร้อนมาก ทั้งเผ็ดร้อนร้ายกาศแสนจะทารุณอย่างแน่นอนเราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลยครั้นหม่อมฉันคิดอย่างนี้แล้วทําจิตให้ร่าเริงเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์หมอมฉันทั้งหลายชื่อว่าเป็นสตรีหมอมฉันทั้งหลายไม่ใช่บุรุษขอพระองค์ทรงพระราชทานพระสมณะแก่หมอมฉันทั้งหลายสับองค์หนึ่งเถิด หม่อมฉันทั้งหลายจักนิมนต์ท่านให้ฉันครั้งนั้นพระราชาได้พระราชทานพระสมณะผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วให้หม่อมฉันหม่อมฉันรับปากของท่านมาแล้วใส่พัตฐารอย่างประนีจนเต็มแล้วบรรจุอาหารอันประณีตของหอมและเครื่องรูปไล้ไปพร้อมกันมีใจยินดีได้ถวายให้ครองผ้าผืนใหญ่ด้วยกรามที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น มอมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เปยนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชพันชาติได้เป็นพระมเหสีของพระเจา้าจักรพรรดิพันชาติและได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรนับชาติไม่ท้วนแต่นั้นผลอื่นอีกมากมายหลายชนิดเป็นผลกรรมแห่งทานนั้นมอมฉันมีผิวพรรณเหมือนดอกอุบลเป็นสตรีมีรูปงามน่าดูน่าชม มีองค์สมบัติท่องปูงสมบูรณ์เป็นอภิชาตบุตรทรงไว้ซึ่งความเปลี่ยนปลงเมื่อถุงพบสุดท้ายมอมฉันเกิดในักระตระกูลเป็นหัวหน้าของนารีพันนางของพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะมอมฉันเบื่อหน่ายการครองเรือนจึงออกบวชเป็นบนรรพชิตเพียงเจ็ดราตรีก็ได้บรรลุสัจจะสี่มอมฉันไม่สามารถจะประมาณจีวรบ็นบาบัเสนาสนะ และกีฬาและปัจจัยเพศสัปริขารได้นี้เป็นผลแห่งการถวายบินทบาตข้าแต่พระมหาวีระผู้เป็นพระมุนีขอพระองค์พึงหวนระลึกถึงกุสสนกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันได้ฉลวัตถุเป็นอันมากก็เพื่อประโยชน์แต่พระองค์เลยกลับที่สาสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ถวายทานไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบินธบาทมอมฉันรู้จักเพียงสองคติคือนหนึ่งคติเทวดาสองคติมนุษย์คติอื่นมอมฉันไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบินธบาศมอมฉันรู้จักแต่ตระกูลสูงซึ่งเป็นตระกูลมหาศาลมีทรัพย์มากตระกูลอื่นๆมอมฉันไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบินบาศมอมฉันเวียนไหวตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ถูกกุษลนโมลตักเตือนแล้วไม่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยนี่เป็นผลแห่งโสมนัสข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพโสตธาตและในเจโตปริยญาณรูปปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก ข้าแต่พระมาหาวีระอัตตปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทาญานนิโรติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันที่มีอยู่ล้วนเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์กิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระอุปละทายุกาภิกษุณีได้พาสิกธาเหล่านี้ด้วยประการชนิอุปละทายกาเทริยาประธานที่สามจบสสิงคาละมาตุเทริยาประธานประวัติในดิชิของพระสิงคาละมาตาเทรี พระสิงคาละมาตาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพูดถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลอมาตที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆเป็นตระกูลมั่งคัง่งเจริญมีทรัพย์มากในกรุงหงสวดี มอมฉันมีมหาชนพ้อมล้อมไปกับปิดาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบวชเป็นบัรปะชิตครั้นบวชแล้วเว้นบาปกรรมทางกายและวจีทุจริตชำระอาชีวะให้บริสุทธิ์มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมและมีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระสงฆ์ขนขวาในการฟังพระสัทธรรมมีการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นปกติครั้งนั้นมอมฉันได้ฟังภิกษุนีรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เลิกว่าภิกษุนีทั้งหลายฝ่ายศรัทธาที่มุดจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นแล้วบรรพยินตรายศขาให้บริบูรณ์ครั้งนั้นพระสุคตผู้มีพระอธิยาสัสประกอบด้วยพระปรุณาตรัสกับหม่อมฉันว่าบุคคลผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีในพระตถาคตมีศีลดีงามที่พระอริยเจ้าใครและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นตรง นักปราดเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อมาระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงหมั่นประกอบศรัทธาศีลปสาทะความเลื่อมใสและความเห็นที่ชอบธรรมหม่อมฉันได้ฟังพระดำรัดนนั้นแล้วก็มีความเบิกบานใจได้ทูลถามถึงความปรารถนาของหม่อมฉันในครั้งนั้น พระสุคตผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นวิเศษทรงมีปัญญาไม่ต่ำต้อยมีพระคุณนับไม่ถ้วนทรงพยากรณ์ว่าเธอเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมอันงามจักได้ตำแหน่งนั้นที่เธอปรารถนาไว้แล้วเนี่ยกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมพบในราชตระกูลในโอค ก, การาชจากอุบัติขึ้นในโลก สตรีผู้นี้จะมีนามว่าสิงคาลมาตาเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวิกาของพระาศาสดาพระองค์นั้นครั้งนั้นหมอมฉันได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาโปรนิบัติพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำด้วยการปฏิบัติทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่หมอมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์บัดนี้เป็นพบสุดท้ายม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีมีความเจริญรุ่งเรืองสั่งสมรัตนะไว้เป็นอันมากในกรุงราชคฤุฑที่ประเสริฐสุดบุตรของหม่อมฉันชื่อสิงคาลมานพมีความเห็นผิดเล่นไปสู่มิจฉาทิฐิมุ่งแต่การบูชาทิศนอบน้อมทิศต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษเสด็จเข้าไปบินธบาทอย่างพระนครท่อพระเนรเห็นเขาแล้วประทับยืนโอว่าที่ขนทางเมื่อพระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมบุตของหม่อมฉันส่งเสียงร้องน่าประหลาดใจบุรุษสตรีสองโปดได้บรรลุธรรมครั้งนั้นหม่อมฉันได้เข้าไปยังที่ประชุมนั้นฟังภาสิตของพระสุคต์แล้วได้บรรลุโสดาปฏิผลออกบวชเป็นบรรพชิต ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นปกติเจริญพุทธานุสติอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลมอมฉันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำเห็นพระรูปซึ่งเป็นที่เพลิดเพลินในนาก็ยังไม่เบื่อมอมฉันไม่เบื่อพระรูปที่เกิดจากบารมีทั้งปวงเป็นที่อยู่อาศัยแห่งสิริที่ประเสริฐพร่งพร้อมด้วยความงามทุกอย่างพระชินเจ้าทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งหม่อมฉันผู้เป็นมารดาของสิงคาลมานกไว้ในเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิกกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายศรัทธาที่มุดฆ่าแต่พระมหาโมนีหม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพสตธาตุและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุหม่อมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้ว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 วิโมก8ปดและอภินยาหกมอมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำาสํสำเร็จแล้วดังนี้แลทราบว่าท่านพระภิกษุณีมารดาสิงคารมานกได้พาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สิงคารมาตาเทริยาประธานที่สี่จบ เทริยาประทานประวัติในดิตชาติของพระสุกาเทรีพระสุกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเรียกกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำพระนามว่าวิปสัสสีมีพระวรกายงดงามทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นหม่อมฉันเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงพันทุมดี ได้ฟังธรรมของพระมุนีแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นพระหูสูตรทรงธรรมมีปฏิพานกล่าวธรรมมีคาถาอย่างไพเราะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระชินเจ้าครั้งนั้นหม่อมฉันกล่าวธรรมเพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนทุกสมัยหม่อมฉันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพทิดาผู้มียศในสวรรค์ชั้นดุสิตในัที่สามสิบเอ็ดนับจา ก, กลับนี้ไป พระชินเจ้าพระนามว่าสิขีมีพระรัศมีเปลีบยด้วยเปลวเพลิงส่องโลกให้รุ่งเรืองด้วยยศประเสริฐกว่าเจ้ารัติทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วแม้ในครั้งนั้นมอมฉันบ ว, แวนชลแล้วเป็นผู้ฉลาดในผู้ศาสนาทำพระพุทธพจน์ให้กระจ่างแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำพระนามว่าเวสภู มีพระปริชายาญมากเสด็จอุบัติขึ้นแล้วแม้ในครั้งนั้นมอมฉันก็เป็นเหมือนอย่างในพพก่อนออกบวชแล้วเป็นผู้ทรงธรรมช่วยประกาศคำสั่งสอนของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองแล้วไปเกิดในเมืองแห่งเทพที่น่า ย, ยินดีได้สวยความสุขมากในพัทลักรณกับนี้พระชินเจ้าผู้สูงสุดพระนามว่ากระกุสันทะทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรกเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว แม้ในครั้งนั้นมอมฉันก็เป็นเหมือนอย่างในพบก่อนออกบทแล้วเชื่อประกาศคำสั่งสอนของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองอยู่จนตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้วจึงได้ตื่นเกิดในสวรรค์ฉันดาวดึงเหมือนไปสู่ที่อยู่ของตนในกลับนี้เองพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำพระนามว่าโกนาคามณะประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเป็นผู้สูงสูดแห่งสพัพจัต เสด็จอุบัติขึ้นแล้วแม้ครั้งนั้นมอมฉันก็ออกโบวถ์ในศาสนาของพระองค์ผู้คงที่เป็นพระหูสูตรทรงธรรมช่วยประกาศคำสั่งสอนของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเนกกับนี้เองพระมุนีพระนามว่ากัสปะเป็นศาสดาผู้ประเสรศิฐเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไม่มีค่าสึกคือ์กิเลสถึงที่สุดแห่งมรณะธรรมสเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว มอมฉันบูตรในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงเป็นนระผู้เป็นปราพระองค์นั้นศึกษาพระสัทธรรมอย่างคล่องแคล่วมีความแลกล้าในปริปุชาข่าแต่พระมหามุนีมอมฉันมีสีงามมีความละอายฉลาดในไตรสิกขากล่าวทำเป็นอันมากจนตลอดชีวิตด้วยวิปากแห่งกรรมนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นมอมฉันละกายมนุษย์แล้ว จึงได้เกิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นภพสุดท้ายมอมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีที่เจริญมั่งคัง่งสั่งสมรัตนะมากมายในกรุงราชครืที่ประเสริฐสุดเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำมีภิกษุพันรูปพร้อมล้อมเท้าสหัสไนสรรเสริญแล้วสเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครืพระผู้มีพระภาคทรงฝึกอินทรีย์แล้วพ้นขาดจากชาพักเเลศ มีวันณนเปล่งปล่งดังแท่งทองเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครึ่พร้อมทั้งพระขีนาสกผู้เป็นปุราณชดินผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วพ้นเดชขาดจากสภกิเลสมอมฉันได้เห็นุูธานุภาพและได้ฟังธรรมซึ่งเป็นที่สังสมคุณแล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบูชาพระองค์ผู้มีพลธรรมมากต่อมามอมฉันได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระธรรมทินนาเทรีหม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลายได้ในขณะที่กำลังปรงผมบวชแล้วไม่นานก็ศึกษ า, าศาสนธรรมได้อย่างทั่วถึงต่อจากนั้นได้แสดงธรรมในสมาคมแห่งมหาชนเมื่อหม่อมฉันกำลังแสดงธรรมอยู่การบรรลุธรรมก็ได้มีมีัาษ์ตนหนึ่งได้ทราบการตรัสรู้ธรรมนั้นของจัดหลายพันแล้วเกิดอัศจรรย์ใจ เลื่อมสายต่อหม่อมฉันได้ไปยังกรุงราชคลึมนุษย์ทั้งหลายเนือกรุงราชคลึที่ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้พระเถรีชื่อสุกาผู้แสดงอมตะบทอยู่หม่อมฉันจะให้เดื่มอมตะบทเหมือนดื่มน้ำพึ่งได้อย่างไรก็แลพวกเขาผู้มีปัญญาคงจะดื่มอมตะบทนั้นอันมีสภาพไม่ถอยกลับเพื่อเกิดความชื่นใจมีโอชาได้เหมือนคนเดินทางไกลสแสวงหาน้าดื่ม ข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในริษมีที่ประสตคธารและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุมอมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วอสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวีระอัฏฐปฏิสัมพิทายานธรรมปฏิสัมพิทายาน นิรุตติปฏิสัมพิทายานและปฏิพาณะปฏิสัมพิทายาณของหม่อมฉันที่มีอยู่ล้วนเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์กิเลทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าพระสุกาภิกษุณีได้พาสึจถ า, าเหล่านี้ด้วยประการชนิสุกกาเทริยาประธานที่ห้าจบพาณวาระที่ห้าจบบริบูรณ์ พ, พ, พ, พิรูปนันทาเทริยาประทานประวัติในดิจชาของพระอภิรูปนันทาเทรีพระอภิรูปนันทาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าในกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นาพระนามว่าวิปสัสสีทรงมีพระวรกายงดงามมีพระจักสุในธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้น มอมฉันเกิดในตระกูลใหญ่ที่มั่งคัง่งมีความเจริญในกรุงพันธุ์ธมดีเป็นสตรีมีรูปงามหน้าเอ็นดูและหน้าบูชาของหมู่ชนได้เฝ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงมีความเพียรมากได้สดับพระธรรมแล้วถึงพระองค์ทรงเป็นผู้นำของนอรชนเป็นที่พึ่งที่ระลึกมอมฉันสำรวมอยู่ในศีลเมื่อพระผู้มีพระภาค เป็นผู้สูงสุดแห่งนระเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วได้ใช้ฉัตรทองบูชาไว้ณเบื้องบนแห่งพระสถูปที่บรรจุพระป ร, ะรมจารีเรืยองระาธาตมอมฉันเป็นผู้สละได้ขาดแล้วมีศีลจนตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้วและกายมนุษย์จึงได้เปียเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้งนั้นมอมฉันครอบงมเทพธิดาได้ทั้งหมดด้วยฐานะสิประการ คือหนึ่งรูปสองเสียงสามกลิ่นสี่รสห้าผลทพะหกอายุเจ็ดวันนะแปดสุขเก้ายศสิความเป็นอธิบดีรุ่งโรจน์อยู่บัดนี้เป็นภพสุดท้ายมอมฉันเกิดในกรุงกบิลพัฒเป็นทิดาแห่งเจ้าสกยะพระนามว่าเขมะกะมีนามปรากฏว่านันทามูชนกล่าวว่า หมอมชันเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้อมด้วยรูปงามน่าชมในคราวที่หมอมชันเติบโตเป็นสาวรู้จักมีรูปและมีผิวพรรณงดงามพวกเจ้าสักะยะยเกิดการวิวาทกันใหญ่โตเพราะเรื่องแย่งตัวหมอมชันนี้ครั้งนั้นพระบิดาของหมอมชันดำริว่าพวกเจ้าสักระย์จงยาพินาศเลยจึงให้หมอมฉันบวชครั้นหมอมฉันบวชแล้วได้ฟังว่า พระตถาคตเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนทรงติเตียนรูปจึงไม่ยอมเข้าเฝ้าเพราะหม่อมฉันมีความหลงไหลรูปหม่อมฉันกล่าต่อการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมไปรับโอวาทครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงให้หม่อมฉันก็ไปสู่สำนักของพระองค์ด้วยอุบายพระองค์ผู้ทรงฉลาดในมักทรงเนรมิตหญิงสามคนด้วยฤทธิ์คือหนึ่งหญิงสาวที่สวยเหมือนเทพ อ, อักษร หญิงชราสาหญิงที่ตายแล้วมอมฉันเห็นหญิงทั้งสามแล้วเกิดความสลดใจไม่ยินดีในซากศพของหญิงที่ตายแล้วมีความเบื่อนายในพบยืนเฉยอยู่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำตรัสกับมอมฉันว่านันทาเธอจงดูรูปกายที่กระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเน่าไหลเข้าไหลออกอยู่ ที่พวกคนเขลาพาไปปรารถนายิ่งนักเธอจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภารมณ์เถิดรูปนี้เป็นฉันใดรูปของเธอนั้นก็เป็นฉันนั้นรูปของเธอนั้นเป็นฉันใดรูปนี้ก็เป็นฉันนั้นเมื่อเธอพิจารณาเห็นรูปอยู่อย่างนี้มิได้เกียรคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนินแต่นั้นก็จะเบื่อนายอยู่ด้วยปัญญาของตน เมื่อม่อมฉันไม่ประมาทแล้วพิจารณาในกายนี้อยู่โดยแยบคายว่ากายนี้ทั้งภายในและภายนอกเราได้เห็นแล้วตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเบื่อในายในกายและคลายกำนัดในภายในไม่ประมาทไม่เกาะเคียวเป็นผู้สงบเย็นแล้วข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันเป็นผู้มีความชํานาญในริสในทิพโสโตรธาตุและในเจโตปริยญาณ รู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุหม่อมฉันก้อชำระให้หมดจดแล้วอาสจจวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้าแต่พระมหาวีระอัฏฐปฏิสัมพิทาญานธรรมปฏิสัมพิทายานรรายา น, นิรุติปฏิสัมพิทาญานและปฏิภาณะปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันที่มีอยู่ล้วนเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสาเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกหม่อมฉันก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระอภิรูปนันทาภิกษุณีได้พาสุคขาเหล่านี้ด้วยประการฉนิ มาพิรูปนันธาเถริยาประธานที่หกจบเจอัทกาสีเถริยาประธานประวัติในดิจฉ่าของพระอัทกาสีเถรีพระอัทกาสีเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าในพัทระกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพราหมณ์พระนามว่ากัสปะตามพระโพธิ์มีประยชน์ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นม่อมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสำรวมในพระปฏิโมกและอินทรี่ห้าม่อมฉันรู้จักประมาณในอาสนะต่ำประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เสมอบำเพ็ญเพียรอยู่ในครานั้นม่อมฉันมีความคิดชั่วได้ดา่าพิษุณีผู้ปร า, าศจากอาสวะรูปหนึ่งครั้งเดียวว่านางแพทย์สยา ต้องหมกไหม้อยู่ในนรกเพราะบาปกรรมนั้นนั่นเองเพราะเศษกรรมนั่นแหลหม่อมฉันเกิดในตระกูลหญิงแพทย์สยาอยู่อาศัยชายอื่นโดยมากในชาติสุดท้ายหม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีในแควงกาศีมีความงามดุดนางเทพอับศรในหมู่เทวดาเ้ืยอผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์หมู่ชนเห็นหม่อมฉันมีรูปน้าชมจึงตั้งหม่อมฉันในฐานะเป็นหญิงขณิกา ในกรุงราชครื่ที่ประเสริฐสุดเพราะผลกรรมที่ด่าพิกษุนีนั้นของหม่อมฉันหม่อมฉันได้ฟังพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดตรัสแล้วผู้สมบูรณ์ด้วยบุพาวาสนาบาปบุญที่ได้อบรมมาในการก่อนจึงได้บวชเป็นบรรพชิตแต่เมื่อเดินทางไปสู่สำนักของพระชินเจ้าเพื่อจะอุปสมบทพบพวกนักเลงดักอยู่ที่หนทางจึงได้รับการอุปสมบทโดยทูต กรรมทั้งหมดสิ้นไปแล้วบุญและบาป ก, ก็สิ้นไปแล้วเหมือนกันเขาพเจ้าข้ามพ้นสังสารวัตรทั้งปวงได้แล้วและความเป็นหญิงพณิกาหม่อมฉันก็ให้สิ้นไปแล้วข้าแต่พระมหาหมุนีหม่อมฉันเป็นผู้มีความชํานาญนิริตในที่ประสตถาตาและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุหม่อมฉันก็ชําระให้หมดจดแล้ว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 วิโมกแปดและอภินยา 6, หกมอมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระอาธากาศสีภิกษุณีได้พาศิดขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อาทากาศสีเทริยาประธานที่เจ็ดจบ 8. ปปุเนีกาเทริยาประธาน ประวัติในดิตชาติของพระปุณิกาเทรีพระปุณิยกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพุธเจ้าผู้เป็นพระมุนีผู้คงที่ทรงพระนามว่าวิปัสสีหนึ่งพระสิขีหนึ่งพระเวสภูหนึ่งพระกปุสันทะหนึ่งพระโปนาคมณะหนึ่งพระกัสปะหนึ่ง มอมฉันบวชเป็นภิกษุณีในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์เป็นพระหูสูตรทรงธรรมสอบถามเหตุและผลเล่าเรียนสดับธรรมเป็นผู้นั่งใกล้มอมฉันแสดงคำสอนของพระชินเจ้าในถ้ำกลางโมูชนได้เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักดูหมินเพราะความเป็นผู้หูสูตรนั้นบัดนี้เป็นพบสุดท้าย มอมฉันเกิดในเรือนแห่งนางกุมพธาสีของอนาถเปนิพาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีที่ประเสริฐสุดมอมฉันไปตักน้ำได้เห็นโสธิยะพราหมณ์นั่งหนาวสันอยู่่้ำกลางน้ำครั้นเห็นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าฉันเป็นคนตักน้ำกลัวภัยต่ออาชญาของเจ้านายและถูกภัยคือวาจาที่เกลียวกราของเจ้านายเบียดเบียนจึงต้องลงน้าเป็นประจำในฤดูหนาว พราหมเอย๋ยท่านกลัวใครจึงต้องลงน้ําเป็นประจำมีร่างกายฉันเทารู้สึกหนาวรุนแรงใช่ไหมพราหมยได้กล่าวว่านางปุณิกาผู้เจริญเธอทั้งที่รู้อยู่ยังสอบถามเราผู้ทํากุศลกรรมเพื่อกําจัดบาปกรรมอยู่บุคคลใดเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นเด็กก็ตามทําบาปกรรมไว้บุคคลนั้นๆจะพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ํา เมื่อพราหมณ์นั้นขึ้นจากน้ำมาหมอมฉันได้บอกบทที่ประกอบด้วยเหตุและผลพราหมณ์ได้ฟังบทแห่งธรรมนั้นแล้วมีความสลดใจออกบทแล้วได้เป็นพระอระหันต์เพราะหมอมฉันเกิดในตระกูลทาสีครบจํานวนทาสีร้อยคนพอดีเจ้านายจึงตั้งชื่อให้หมอมฉันว่าปุณนาและปลดหมอมฉันจากทาตให้เป็นไทยแต่นั้นหมอมฉันอนุโมทนาเศรษฐีแล้วบวชเป็นบรรพชิต โดยการไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลข้าแต่พระมหาหมุนีมอมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤธิในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณที่พยะจักสุมอมฉันชำระให้หมดจดแล้วอาสะวะทั้งโปรงสิ้นไปแล้วบาดนี้พกใหม่ไม่มีอีกอัฏฐปฏิสัมพิทายานธรรมปฏิสัมพิทาาน นิโรติปฏิสัมพิทาญานและปฏิพานเปฏิสัมพิทาญานของหม่อมฉันบริสุทธิ์ไม่มีมนทินเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันมีปัญญามากเพราะการเจริญภาวนามีสุตตามากเพราะการเรียนรู้เกิดในตระกูลต่ำเพราะมีมา n a จัดแต่กุศลกรรมมีได้วิบัติไปเลยกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้ว